ในการที่เราให้ทานก็เหมือนกันการที่เรารักษาศีลก็เหมือนกันการที่เราเจริญกุศลทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าเรามีเป้าหมายเมื่อเป้าหมายของเราชัดเจนเราก็ค่อยๆเก็บพรอมรอมนิไปค่อยๆรวบรวมไปรวบรวมบุญกุศลถึงจะเล็กถึงจะน้อยทําได้เท่าไหร่มันก็มีเป้าหมายเนะนะมื่อกี้ฟังเลยเพราะเลยเอามาดูแล้วก็มาพูดเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งบอกว่าสุทินนางวตาัตเมทานังนะีนะนะอาสวัคยาวหังหูตก แปลว่าสุธินังวัตเมทานังทานที่เราได้ให้แล้วนี้เป็นการให้ดีแล้วหนอคือให้แล้วให้เลยให้แล้วไม่เอาด้วยอ๋อหมายถาว่าขอให้แล้วก็ให้แล้วให้แล้วให้เลยให้แล้วไม่ให้แบบให้แบบคิดว่าจะขอถืขอคืนแล้วก็การให้เนี่ยของที่เราได้มาก็ได้มาโดยสุจริตโดยชอบทำมีเจตนาที่คิดว่าจะให้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 อาสวะนี่แปลว่าเครื่องหมักหมมเครื่องหมักดองเครื่องดองสันดาลเพาั้นลหรือบางทีก็สิ่งที่มันไหลไปสิ่งที่ครอบงำหรือท่วมทับอาสวะบางทีแปลว่าไหลไปไหลไปตามทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจไหลโดยทรรถึงเพราะถึงโคตรภูไหลโดยอารมณ์ถึงภวะกรภพบเพราะฉะนันพบสามนีเน่เป็นที่ไหลไปเป็นที่โคจรไปแห่ง อาสะวะทั้งหลายอาสะวะที่เรียกว่าเครื่องหมักห ม, มมเครื่องหมักดองเนี่ยนะอาสะวะมีสี่ประการด้วยกันกามาสะวะพวาสะวะทิาสะวะและอวิชชาสะวะย่อลงมาก็คือตันหาทิฐิและอวิชชานนะตันหาทิฐิและอวิชชาย่อยๆลงมาเหลือสามอย่างพันบอกว่าบุญที่เราได้ให้แล้วนี้บุญที่เกิดจากการให้ทานนี้ขอจงเป็นไปเพื่อสิ้นอาสะวะ คือพูดผลแต่ไม้เอาเหตุพูดผลไม้เอาเหตุคำพูดนี้เขาเรียกว่าพลูประจาระคาพูดก็ให้ตอผลแต่จริงๆไม้ถึงเหตุจริงๆแล้วเนี่ยต้องการอะไรถ้าตั้งคำถามว่าอาสวัคยวะหังโหตุเนี่ยขอจะขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยได้ถึงซึ่งความสิ้นอาสวะทาที่สิ้นอาสวะหนึ่งทิศฐาสาวะสิ้นด้วยโสดาปฏิมักอนอนุภาพของโสดาปฏิมัก เป็นปัจจัยให้สิ้นทิฏฐะสวะกามาสวะสิ้นด้วยอนาคามิมักพวาสวะและอวิชชาสวะสิ้นด้วยอรหัตตมักอาสวะขยาวหังขอบุญที่ได้ทำเหล่านี้จงเป็นไปเพื่อบรรุษมักทั้งสี่ประการอันนี้แปลเป็นภาษาเราง่ายๆเลยก็คือบอกว่าบุญที่ทำไปแล้วนี้ขอให้ได้อาริยมักสนนี่แสดงว่ามีเป้าหมายชัดเจนว่า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 เต็มเปี่ยมได้ฉันใดบุญกุศลเจตนาในการให้ทานเหล่านี้เนี่ยนะถ้าหากว่าเพิ่มไปบ่อยๆเพิ่มไปบ่อยๆก็เต็มเปี่ยมพัฒนาจากปริตตะเป็นมหคตะพัฒนาจากมหคต ะ, ะเป็นอัปปะมานะอริยมรรอริยผลเนี่ยเป็นอัปปะมานะแปลว่าไม่มีประมาณังจากบุญกุศลที่เรากระทำแล้วนี้จงเป็นปัจจัยให้ได้โสดาปติมัคสกะท า, ามิมัคอนาคามิมัคแล อรหัตตมรรคทั้งหลายในที่สุดคืออรหัตตพ้นเรียกว่าอาสะวัคยวาวังนิพานนางหูตุตอนยมโสดขอข อ, อย่างนี้หรือเปล่าล อ, ย อ, อย่าว่าให้คลองปากนี่ยเสียชื่อหมดเดี๋ยววันหลังจะมาถามใหม่ว่าสุธินางวัตเมทานางอาสะวัคยวาวังนิพานนางหูตุต้องการอะไรบอกต้องการมรรคสี่เท า, นะานั้นนะทางตอบเนี่ยถูกต้องเพราะอาริยมรรคเนี่ยเป็นตัวที่ทําลายอาสะวะทั้งสี่ประการ อันนี้ข้อแรกข้อที่สองทุติยมปิสุทินังวัตเมธานังสัพพะทุกขาปรมุนจะเยบอกว่าทุตุสุทินังวัตเมทานังทานที่พระเจ้าให้เนี่ยให้ดีแล้วนะให้ด้วยศรัทธาจริงๆให้ด้วยเชื่อบุญเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อบุญเชื่อบาปให้ด้วยศรัทธาเลื่อมใสในความประเสริฐดีของพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมให้เพราะเลื่อมใสในความปฏิบัติดีของพระสงค์ขอบุญที่เกิดจากการให้อันนี้ สัพพาทุกขาประมุตเจเยขอประมุตเจเยนี่แปลว่าเพื่อความพน้นหลุดพน้นขอให้สัพพาทุกขาหลุดพ้นจากกองทุกให้หมดเลยไม่ให้เหลือทุกแม้แต่นิดเดียวเอ๊ะแล้วเรามีทุกอะไรบ้างนะเมื่อคืนว่าไปบ้างนิดหน่อยนะบอกเรามีทุกอะไรบ้างแม้ปรารถนาเหลือเกินเรอยากพ้นทุกทานที่ให้บุญที่ให้ไปเนี่ยขอจงเป็นไปเพื่อความพ้นทุกเธอทุกไหน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 มั่งมีมีแต่หนี้สินอย่างเงี้ยนะท่านมีแต่มีหนี้มีสินท่านขอให้พ้นจากทุกท่านแคเรียกว่าขอให้พ้นจากทุกตั้งความปรารถนาขอให้พ้นไปจากทุกข์ที่กล่าวไปแล้วพ้นจากชาติชรามรณะโศกปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตท่านแสดงว่าตั้งความปรารถนาขอให้พ้นจากทุกทั้งปวงหมายถึงพ้นจากวัตถุทุก พ้นจากอบายทุขติวินิบาตนรกพ้นของการให้ทานเหล่านี้จงเป็นไปเพื่อพ้นจากนรกเปรตอสรกายและเดรชาขอผลแห่งการให้นี้จงพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดขอให้พ้นจากทะเลทุกพ้นจากอันโนบคือห่วงแห่งมหันตทุกข์ทั้งปวงพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด น, นี่ประโยคสุดท้ายบอกว่าตติยมปิสุทินังวตมีทานัง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 ขอให้จิตได้สัมผัสกับพระนิพพานด้วยเถอะเมื่อจิตได้สัมผัสกับพระนิพพานที่สงบทุกข์ที่ที่ดับทุกแล้วก็จะพ้นจากทุกทั้งปวงถ้าสัมผัสกับพระนิพพานแล้วก็จะพน้นหรือจากสิ้นอาสวะโดยประการทั้งปวงที่จริงอ่ะนะถามว่าโอโ้โหพูดมาซะยาวเลยนะแปล ง, ง่ายๆได้ไหมบอกได้ปราถนาอะไรบอกปาธนามรสีผลสีเลนิพพานหนึ่งอ่ะนะทานที่ได้ให้แล้วนี้เนี่ย การให้ทานแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสัมมาปฏิปทาสัมมาปฏิบัติเพราะการให้ทานแล้วตั้งความปรารถนาโดยถูกต้องนี้ให้ทานแบบมีเป้าหมายอย่างนี้เขาเรียกว่าสัมมาปฏิปทาเพราะความปรารถนาที่ถูกต้องเป็นปัจจัยให้เข้าไปหาคนที่เข้าตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกข์คือทำให้เข้าไปหาพระพุทธเจ้าเข้าไปหาพระตนะไตร เมื่อเข้าไปหาแล้วก็นั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้แล้วเงี่ยโสตลงฟังเมื่อเงี่ยโสตลงฟังก็ทรงจำพระธรรมเหล่านั้นเอาไว้เ <Me> มื่อทรงจำธรรมะเหล่านั้นเอาไว้ธรรมะนั้นคืออริยสัจธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเมื่ออริยสัจเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็เกิดการมาพินิจพิจารณาเกิดการไขครัวรเกิดการวิจัยเกิดการพิจารณาการเจริญโพชงการเจริญองคมารในที่สุดก็เป็นปัจจัยให้บรรลุ อ น, นะความสิ้นอาสวะคืออริยมัชฌีทําให้พ้นจากวัฏทุกข์การเกิดในอบายทุกขติวิบาตนารกการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏะเพราะกระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานให้ได้จิตได้สัมผัสกับพระนิพพานด้วยอริยมัชฌทั้งหลายมันก็เป็นการเจริญกุศลที่มีเป้าหมายมีทิศทางเมื่อเรามีเป้าหมายทิศทางชัดเจนแล้วที่เหลือก็มาค่อยๆรวบรวมกันมาค่อยรวบรวมกันสิ่งที่เราต้องรวบรวมนั้นคืออะไรบุญ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 ไม่ใช่เท่านั้นถ้าเกิดมาเทศเกินจะว่าไงเนี่ยพระก็จะพึ่งชันก็นแล้วกันเพราะเมื่อเช้าว่าฉันไปแล้วโยมที่ยังไม่ได้ฉันก็เดี๋ยวก็กลับไปทานเพนกันแล้วกันอ่าพูดถึงอาว่าเราสแสวงหาสิ่งเหล่านี้ก็จะได้แบ่งมาแปลสภาพมาเป็นรูปสวยๆไม่ได้เครื่องนุ่งห่มก็ต้องสวยนะ เครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยก็สีสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยอร่อยสัมผัสที่ดีๆจึงจะชอบใจอันนั้นคือประโยชน์ของโภกข้ศัพท์ทีนี้ถ้าจะได้สิ่งเหล่านั้นเราก็รวบรวมโภกข้ศัพย์มาทํำยังไงเก็บสิเก็บเลยเนี่ยนะเก็บฝากแบงคฝากธนาคารถ้าโ บ, ร า, า ร, าบราณเขาทำยังไงถ้าโบราณเขาไปฝังไว้บุรุษย่อมฝังขุมทรัพย์ไว้ในน้าลึกฝังบนดินไม่ได้เดี๋ยวเขามีร่องรอยเดี๋ยวเขาไปขุดเอาอันนี้ก็ทํายังไงบอกโม่ไปฝังไว้ในน้าลึก นิธินิเทติปุริโซคัมพีโรอุตตะกันติเกนเนี่ยนะก็คือรีบประว่าิขวนขวายแสวงหาทรัพย์รวบรวมไรเพราะฉะนั้นอย่างที่เราแก้วแหวนเงินทองก็คือสิ่งที่ย่อย่อปัจใจสี่มาเหลือกระดาษใบเดียวย่อปัจใจสี่มาเหลือเป็นแบงค์เหลือเป็นทองคํามันก็แสวงหาที่เราวาสตังแก้วแหวนเงินทองมารวบรวมเก็บเอาไว้ทีนี้ทํายังไงสตังเยอะๆมารวบรวมก็ให้มันเหลือเป็นเพชรบ้างเป็นทองบ้างเป็นอะไรบ้างก็ว่ากันไป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 ฝากสตังเก็บไว้กับบ้านบ้านไม่มีราคาก็เดือดร้อนอีกแล้วไปฝากไว้กับสิ่งใดๆฝากไว้ที่ธนาคารลูกก็ดันไปปลอมลายเซนเ็นเบิกไปเล่นผลานซะหมดแล้วอย่างเงี้ยนะบางคนเนี่ยฝากไว้กับที่ต่างๆถูกคดถูกโกงไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นขมทรัพย์นั้นย่อมไม่สําเร็จประโยชน์ในการทุกเมื่อทีเดียวเพราะฉะันเห็นคนในโลกนี้นะประสบความสําเร็จมีกี่คนจังว่าเอาจริงๆเลยนะเอาโหทําหัวหกก้นขิดเงือท่วมเงือเป็นเม็ดเท่าเม็ดข้าวโพดเนี่ยนะ ทำงานเหน็ดเหนื่อยทุกวันแปรที่ดินเป็นมันสำปะหลังแปรที่ดินเป็นวุ้ยสารพัดแปรเนี่ยนะพลิกแผ่นดินหาแก้วแวนเงินทองหาปัจจัยสิสำเร็จกี่คนเอาเข้าจริงอะนะสําเร็จกี่คนที่ประสบความสําเร็จพ่อสําเร็จลูกผลานอยังไงบางทีบางทีงทพ่อทําสําเร็จลูกทําเสียบางทีสามีทําเสร็จภรรยาทําเจงบางทีภรรยาทำสาเร็จสามีพลานเกลี้งยงเนี่นะคือมันก็สับเสร็จอีกสิ่งหนึ่งเสร็จอีกสิ่งหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นวเอ๊ะมันอะไรกันแน่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 โลกหน้าเนี่ยนะคือบางคนเนี่ยนะทาอะไรก็ทําเพื่อประโยชน์โลกนี้แต่ก็ลืมโลกหน้า น, นะทาเพื่อประโยชน์โลกนี้แต่ลืมโลกหน้าแล้วโลกนี้มันมีตลอดไปไหมโลกอันชรานําไปไม่ยั่งยืนวันนี้เราก็หนุ่มที่สุดโญโมดเนี่ยวันนี้หนุ่มที่สุดแล้วพรุ่งนี้แกกว่าวันนี้อีกปีหน้าก isz, แกกวันนี้อีกเพราะฉะนั้นอีกสิบปีข้างหน้าก isz, แก่กวั น, นนี้เยอะเนี่ยนะเพราะวันนี้หนุ่มที่สุดแล้ว ก็โลกอันชารานําไปไม่ยังยืนนั้นทุกคนแก่หมด น, นะเพราะมายังไม่คิดไปเอ๊อตอนนี้ก็เป็นพระหลวงพ่อไปเรียบร้อยแลเดี๋ยวก็ไปอีกหม่ก็จะเรียกหลวงปู่หลวงตาหลวงอะไรก็ว่ากันไปในที่สุดก็โฮ้ยพระรูปนั้นอะชาตะเมื่อมอรณะเมื่อก็จะมีแค่นี้ใบติดไว้ข้างป่าที่เก็บกระดูกหนักๆเข้าเกากะวัดเข้าก็ขุดทิ้งไปนั่นก็มีอยู่เท่านั้นนะอะนะชีวิตของชาตินี้นะแต่ว่านี่คือประโยชน์โลกนี้มันก็มีประโยชน์โลกต่อไปอีกนะโลก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 ไปเรื่อยมันก็เดินทางมันก็เรีาต้องมีสเสบียงทางให้คนที่จะเดินทางได้ต้องมีสเสบียงทางพูดอย่างนี้ฟังให้ดีนะไม่ได้มาเรียอะไร น, นะคือหมายคขาว่ามันมีทํากุศลปรตลาดประเภทโดยเดินทางไปทําบุญนะเดินทางไปทําบุญตรงนี้บ้างตรงนั้นมัางเรไปเรื่ออาชีพทําบุญนะนี่ก็มานี่ก็มาทําบุญอีกเหมือนกันได้บุญหลายอย่างในมงคลหลายข้อแล้วมาเจริญมงคลนะ ในมงคลมาสนทนาธรรมตามการได้มางคนมาฟังทำตามการได้มงมงคลมาบำรุงบิดามารดาในหลายมงคลมันก็เดินทางเยอะเมื่อคนที่เดินทางมากๆเนี่ยมันจําเป็นต้องมีสเสบียงทางเรานี่จะต้องเดินทางไปสู่พบใหม่เนี่ยเก็บของไปเตรียมพร้อมหรือยังอนนะั้นหลายคนจะไปชาติหน้าแล้วเก็บของอะไรไว้บ้างแล้วเตรียมบางคนนะพวกไปต่างประเทศนะอู้จะไปแค่สามวันเจ็ดวันเตรียมยังก็ไปไม่กลับอย่างนั้นะนะนะคิดแล้วคิดดีไอไปไม่กลับจริงๆกลับไม่ได้เตรียมเลยอ่างั้นะนะ แล้วเตรียมบุญอะไรมั่งในการเดินทางต่อไปในโลกหน้าออยู่เขาไม่ให้อยู่กับเราเขาให้อยู่ตลอดไปหรอกเชอเหรอใช่ไหมให้อยู่ตลอดไปเอาไหมอายุหมืน่นหมื่นปีเลยเหะอสำเนต็ตเอามไหมทักหมื่นหมื่นปีไงเอาไ ม, ม, มาง ไ, งไม่เอาอีกนั่นแหละเนาะแต่มันแก่ลงทุกวันนี่แล้ะอายุหมื่นปีไม่เอาเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอย่า ง, งนี้โลกอันชาลานําไปไม่ยั่งยืนโลกจําต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปเมื่อไปแล้วสเสบียงทางเรามีแค่ไหนอันนั้นก็เรียกว่าประโยชน์โลกหน้า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 ไม่มีอันตรายเพศภัยโดยประการใดๆเลยเพราะฉะนั้นบุญที่เกิดขึ้นคุ้มทรัพย์คือบุญที่สำเร็จไว้ในใจนั้นจึงเป็นคุ้มทรัพย์ที่สามารถทําให้สำเร็จประโยชน์ได้อย่างแท้จริงคุ้มทรัพย์คือบุญพะะนันคุ้มทรัพย์คือบุญของผู้ใดก็จะเป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามฝังไว้ดีแล้วในทานศีลสัญญมะความสำรวมตนธรรมะความฝึกตนในเจดีในสงฆ์ในบุคคลในบิดามารดาในแขก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 เป็นที่รักเป็นที่เชิดชูบริบูรณ์พูนสุขไปด้วยสิ่งที่น่าปราธนาะตําแหน่งอํานาจลาบยศสรรเสริญเป็นต้นเป็นสมบัติของคนมีบุญยังเคยนะคนหมดบุญนี่ยมันเดือดร้อนขนาดไหนเนี่ยท่านเป็นสมบัติของคนมีบุญแม้กระทั่งการเกิดเป็นเทวดาทั้งหลายเทวดาชั้นจาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิ ม, มานารดีปารินมิตรวัสวัติสมบัติเหล่านี้ก็เป็นของคนมีบุญแม้แต่พรหมโลกทั้งหลายก็เป็นสมบัติของผู้มีบุญสมัยพุทธกา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 นั้นต้องแต่ถ้าบุญนั้นฝังไว้ที่ไหนที่จิตที่ใจของเรามันถ้าเราทําบุญไว้ด้วยใจของเรามาเต็มเปี่ยมแล้วอนนสาวกบารมีทั้งหลายเป็นอริยสาวกโสดาบันสกทาคามีอนาคามีเป็นผ้าหันพราะความเป็นผ้าหันนั่นแหละก็สําเร็จมาจากบุญ เหมือนที่เราให้ทานนะสุทินนางวัตเมทานังอาสวัคยยาวหังนิปนาอาสวัคยามหังโหโตสุทินนางวัตเมทานังสัพพุตสัพพะทุขาปมุนเจเยสุทินนางวัตเมทานังนิพานะปัจโยโหโตสิ่งเหล่านี้เนี่ยการให้ทานเนี่ยเป็นเหตุคือบุญผลที่ได้รับก็คือสิ้นอาสวะผลที่ได้รับคือพ้นจากทุกผลที่ได้รับคือทําให้แจ้งพระนิพพานได้สัมผัสตรัสรู้กับพระนิพพาน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 เจริญอินทรีย์เจริญพละเจริญโพ่อชงเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเจริญอธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาเจริญภาพเพียรปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายถ้าเราอาศัยกัลยาณมิตรเช่นนั้นโยนิโสมรสิการใส่ใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าการที่เขาเหล่านั้นได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า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 ห้าชาติสิบชาติยี่สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบชาติร้อยชาติพันชาติแสนชาติตลอดสังวัตกรรมวิวัตกรรเป็นอันมากตลอดสังวัตกรรวิวัตกรรเป็นอันมากว่าชาติโน้นมีชื่ออย่างนั้นอนะมีชื่ออย่างนั้นมีนามสกุลหรือเรากามีโคดอย่างนั้นมีรูปพรงผิวพรรณเสวยทุกเสวยสุขเช่นนั้นเช่นนั้นเหมือนคนระลึกถึงประวัติของตัวเองอย่างละเอียดในอดีตได้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 รอบรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกไปเกิดที่ไหนรู้จิตจุติรู้อุบัติของสัตว์ทั้งหลายสัตว์มเห็นหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมนะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเป็นไปตามกายหมายคําว่าถ้าเขาจะไปสู่ที่เลวทรามก็เพราะเขาทํากายยะทุจริตทําความชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเป็นมิจฉาทิฏฐิติเตียนพระเรียเจ้าทํากรรมด้วยอํานาจมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เข้าสู่อาบายทุกขติวินิบัตินรกเป็นต้นพะนั้นก็จะรอบรู้ว่าโอ้เนี่ยอนาคตถ้าเหตุแบบนี้ผลต่อไปในอนาคตจะเป็นแบบนี้ความรอบรู้อันนี้ก็เป็นผลของบุญบุญทำให้มีปัญญารอบรู้ต่อไปว่าถ้าคนที่เขาทําสุจริญด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเป็นกล่าวสรรเสริญท่าเรียเจ้าไม่เป็นอขออภัยเป็นสัมมาทิฏฐิทํากรรมด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิมีปัญญานําหน้า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 บุญรอบรู้ผลของบุญรู้กรรมรู้ผลของกรรมอันนี้ก็สําเร็จด้วยปัญญาทั้นความที่มีปัญญาเนี่ยนะก็จะทําให้ได้อาสวัคยญาณได้ข้อปฏิบัติเป็นทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมัคคามัคคายานัศนาวิสุทธิและปฏิปทายาณทัศนาวิสุทธิเพิ่มจุดมุ่งหมายคือยานัศนาวิสุทธิคืออริยมรรคทั้งหลายอาสวัคยญาณแทงตลอดอริยสัตว์เพราะว่าโสดาปฏิมรัก ทำลายทิฏฐาสวะเนี่ยทำลายทิฐาสวะอนาคามีมักทำลายกา ม, มาสวะอรหัตมักทำลายอาวิชชาสวะเพราะนั้นอาสวะคยายานก็จะเกิดขึ้น